ตรงกับวันเสาร์ที่สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อสามสิบแปดนับเป็นครั้งที่สองของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อปริญญาปัญญาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใค่ ข, ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิจตธาได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วค่ะกราบเรียนเชิญอาจารย์ พระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะนำเอาองค์ประกอบทั้งหมดของเรื่องราวที่เกี่ยวกับปริญญาปัญญาในพระพุทธศาสนามากล่าวให้เห็นเป็นภาพกว้างปริญญาปัญญานั้นประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญแยกเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ในส่วนที่หนึ่งเรียกว่าทำห้าอย่างส่วนที่สองกิจสี่อย่างส่วนที่สามปริญญาสามอย่างส่วนที่สี่ปัญญาสามอย่างที่เรียกว่าทำห้าอย่างนั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นตัวการงานของตัวปริญญาปัญญาคือปัญญาเนี่ย มีสิ่งที่เป็นภารกิจจะต้องทําก็คือทาห้าอย่างนี่แหละทาห้าอย่างนี้ก็จะมีทั้งโลกีธรรมคือธรรมที่เป็นฝ่ายโลกแล้วก็โลกุตละธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายโลกุลกลกตล ะ, ททนลตละในพระไตรปิฎกนั้นบางทีท่านเรียกว่าเป็นยานวัตถุ วัตถุนั้นแปลว่าเหตุหรือแปลว่าที่ตั้งเหมือนกับที่เราพูดว่าบุญกิริยาวัตถุบุคคลจะกระทำบุญได้ด้วยเหตุใดด้วยอาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นท่านเรียกวัตถุคือบุญกิริยาวัตถุเราจึงแปลว่าเหตุแห่งการกระทำบุญซึ่งก็มีความหมายว่าเป็นวิธีไปด้วยเพราะว่าเหตุมีหลายเหตุบุญก็เลยมีหลายแบบ ไปตามเหตุนั้นเหตุนั้นก็จึงกลายเป็นวิธีไ ป, ไปโดยปริยายฉันใดก็ฉันนั้นปัญญาจะพึงเกิดหรือบุคคลจะพึงอบรมปริญญาปัญญาให้เกิดขึ้นก็จะต้องอาศัยธรรมที่เป็นวัตถุของปัญญาเมื่อวัตถุของปัญญามีหลายแบบหลายส่วนหลายอาการปริญญา ปัญญาจึงมีหลายส่วนหลายอาการไปตามวัตถุหรือตามธรรมนั้นด้วยนั้นเป็นส่วนที่หนึ่งเราก็มาดูเลยทีเดียวครับว่าธรรมห้าอย่างนั้นคืออะไรบ้างธรรมห้าอย่างนั้นก็ประกอบด้วยอะพินเยยยธรรมอย่างหนึ่งปริญเยยธรรมอย่างหนึ่งปหาตปธรรมอย่างหนึ่งภาเวตัปธรรมอย่างหนึ่ง สัจจิกาตประธรรมอย่างหนึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นโดยความหมายโดยลําดับอภินยยธรรมนั้นแปลว่าทมที่ควรรู้ยิ่งส่วนมากแปลอย่างนั้นแต่ว่าในที่นี้ผมก็หักเป็นคำแปลเสียว่าอภินยยธรรมแปลว่าทำ ท, ที่ควรรู้เฉพาะอภินั้นแปลว่าเฉพาะก็ได้แปลว่ายิ่งแปลวพิเศษก็ได้ แต่ความหมายนั้นมาลงที่ในความหมายว่าเฉพาะทำใดทีเ่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาในขอบเขตเฉพาะเฉพาะหมายถึงเฉพาะลักษณะเฉพาะตัวของธรรมนั้นธรรมนั้นชื่อว่าอภินญยยธรรมความจริงนั้นก็ได้แก่ปัจจัตลักษณะนั่นเอง คือหมายถึงลักษณะเฉพาะตัว่ เ, าเราก็ได้รู้อยู่ว่าสภาวธรรมทุกอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นคําว่าลักษณะเฉพาะตัวที่พูดอย่างในระดับของปัญญาภาวนาในพุทธศาสนานั้นจะหมายถึงลักษณะเฉพาะที่เป็นความจรงิงโดยเอกเทศของธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวยกตัวอย่างเช่นเวทนาสเสวยอารมณ์เป็นลักษณะ อย่างนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเวทนาธรรมนั้นสัญญามีลักษณะเฉพาะตัวคือจำสัทธามีลักษณะเฉพาะตัวคือเลื่อมใสปัทวีรูปมีลักษณะเฉพาะตัวคือร้อนขอโทษเตโชรูปร้อนปัทวีรูปแข็งแข็งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะจริงๆ ที่มันอยู่ในตัวธรรมและผู้ขั้นเรียนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเรากําลังจะเรียนอย่างพูดเข้าไปหาขั้นปฏิบัติคือเวลาเราฟังหรือผมพูดเนี่ยก็เป็นขั้นเรียนแต่เรากําลังพูดเข้าไปหาขั้นปฏิบัติทำเหล่านี้มันมีลักษณะในธรรมชาติของมันทุกอย่างทุกตัวไปเป็นลักษณะเฉพาะเอ๊ลักษณะเฉพาะเหล่านี้มันบอกอะไร มันให้อะไรทําไมจะต้องไปกําหนดรู้ทําไมจะต้องยกขึ้นมาเป็นที่รองรับหรือที่อบรมปัญญาที่เรียกว่าอาปิญเยะยะไม่เรียกธรรมเฉยๆเรียวปิญเยยธรรมเพราะเป็นที่รองรับปัญญาที่เรียกว่าอปิญญาปัญญาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของถ้อยคําแต่เอาหมายความว่ า, วาเรื่องของวิปัสสนาชั้นต้นเนี่ย ทำไมถึงเป็นที่รองรับมันให้อะไรตอบว่ามันให้ความจริงตามธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งว่ามันนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ก้อนนะเพราะโดยธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติเราก็คิดพลาเรียกว่าไอ้คำว่าลักษณะเฉพาะของเราเนี่ยมันไม่เข้าถึงสภาวะพวกนี้ มันก็คิดเป็นลักษณะเฉพาะแบบรวมๆบ้างเช่นโตะมีลักษณะเฉพาะอย่างไรคนเช่นนี้เช่นนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไปหมดมันไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่เป็นจริงยิ่งเราเข้าถึงลักษณะเฉพาะชั้นโลกลกมากเท่าไหร่อัตตาและอัตตานิยะคือตัวเราตัวเขาของเราและของเขา ก็ตามแจไปตลอดยิ่งกำหนดลักษณะเฉพาะมากอย่างเท่าไหร่อัตตาก็ดีอัตสนิยาก็ดีก็เพิ่มปริมาณไปตามจํานวนของความเข้าถึงลักษณะเฉพาะแล้วมันก็มีผลในทางรวบยอดคือเราก็จะถูกพันฒนาการด้วยอัตตาและอัตนิยะอย่างเหนียวแน่นทีนี้ทางหลักวิปัสสนาก็มาบอกว่าการเจริญ ยานทัศนะให้ตรงกับความจริงแล้วก็ไม่ก่อกิเลสอย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องกําหนดลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นฐานะของลักษณะเฉพาะธรรมเนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอภินเยยะเป็นเบื้องต้นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้และจะต้องจับไม่ได้กําหนดไม่ได้เพราะนั้นอภินเยยะหรือภิญญาในที่นี้ถ้าแปลว่ารู้ยิ่งมันฟังแล้วมันเรื่องเกินเลยความรู้สึกเราค่อนข้างสูงไป โดยความหมายจริงๆหมายถึงการกำหนดรูปลักษณ ะ, ะเฉพาะเหล่านี้เท่านั้นผมจึงอยากจะทวนถึงคำว่าพิญญาณ น, นิดหนึ่งนะฮะโดยลำดับต่อไปจะค่อยๆพูดทุกๆเรื่องนี้โดยพิสดารแล้วก็ผมยืนยันว่าในตำราเรื่องทฤษฎีวิปัสนาในท้องตลาดจะไม่มีให้ท่านได้อ่านอย่างที่ผมจะพูดในฝังในโครงการนี้หรอกครับรับรองได้จะเป็นสิ่งที่ท่านจะไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน แม้แต่เรื่องการละกิเลสความละกิเลสคืออะไรตรงจุดละกิเลสคืออะไรวิธีละกิเลสโดยสภาพของมันเนี่ยคืออะไรสิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำราวิปัสสนาทั่วไปแน่นอนผมรับรองเท่าที่ผมหาผมค้นมาไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่ในตำราชั้นชั้นพระไกรพิดกที่มีอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะต้องรู้ เป็นอย่างยิ่งและมีประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเอพอพูดถึงอภิญญานิดหนึ่งคําว่าอภิญญาที่เราแปลกันว่าความรู้ยิ่งคืออภิบวกอัญญาหรือบวกยาธาตุเนี่ยมันหมายถึงความรู้รู้ยิ่งไอ้รู้ยิ่งเนี่ยมันมีความหมายสมกับคําพูดบ้างไม่สมกับคําพูดคือหมายถึงคําแปลบางก็มีอที่ว่าสมกับคําพูดนั้น หมายถึงความรู้ขั้นสุดยอดอันได้แก่มัตอเลียมักเนี่ยเรียกอภิญญาเช่นสุดยอดเลยคืออรหัตมัตอสวรรคาญาณหรืออาสวรรคญาปิญญาในสุดยอดเลยความรู้ยิ่งไม่มีใครเหนือกว่าอีกระดับถอยลงมาเป็นความรู้ยิ่งเหมือนกัน สมกับคำพูดคือชาญชาญอย่างเดียวยังไม่เรียกวิญญานะต้องเป็นชาญที่เอามาเป็นบาดอบรมความรู้พิเศษชาญเป็นแต่ว่าเป็นงบได้บลังพิเศษและเอาบาลังพิเศษนั้นมาเป็นเครื่องอุนหนุนปัญญาในสายชานเรียกว่าวญญาอยวิญญาหกที่เราเคยได้ยินกัน ก็คือโลกิยาพิญญาที่เราเรียกว่าโลกิยาพิญญาอันนี้ก็เป็นความหมายที่เรารู้อยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าสมกับคำพูดทีนี้ถอยต่ำลงมาคืออภิญญาที่เรากำลังพูดถึงนี่คำว่าความรู้ยิ่งเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าถ้าพูดในแค่ว่ามันยิ่งกว่าความรู้อย่างที่เรามีสำนึกกันมาโดยปกติอย่างเราเนี่ยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนู่นเป็นนี่ มันไม่ได้เห็นอย่างเข้าถึงสภาวะเนื้อของธรรมชาติแ ต, ตแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวที่เป็นปรมาตภาวะอย่างนั้นเป็นความรู้ต่ำใครที่เรียนรู้แล้วกาหนดจับลักษณะสภาวะได้คนนั้นชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งยิ่งกว่าเมื่อยังไม่ได้กำหนดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้หรือผู้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อาจารย์อธิบายอย่างนั้นก็พอฟังฟังได้ แต่โดยความหมายในระดับนี้หมายถึงรู้เฉพาะลักษณะจับลักษณะเฉพาะของประมตธรรมไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าอภิญญาแล้วเรียกว่าปัญญาแล้วเรากําหนดวิปัสนาเมื่อใดจับอารมณ์ประมัดได้เมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าเราได้อภิญญาปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงหมายถึงวิปัส การเจริญวิปัสนาภาวนาถ้าใช้คําพูดคํานี้มันหมายถึงจับปรมตาอารมณ์ได้นั่นเองตั้งแต่บุพพากนะฮะตั้งแต่บุพพ า, าคหมายถึงเริ่มทําแกรกๆเป็นเลยได้พิญญาทันตีก็ไม่เห็นยากอะไรถ้าเราจะไปเที่ยวคุยกับใครต่อใค ร, ใครว่าเรามาฟังเรื่องวิปัสนา ไม่ทันเลยได้ปัญญาแล้วเราไม่ได้โกหกเลยเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเขาจะถามม่าไหนลองแสดงฤทธิ์ให้ดูสิบอกแสดงไม่ได้รู้ไม่ว่าฉันกินอะไรบอกไม่รู้ถามทุกข้อไม่รู้สักอย่างเดียวแล้วก็หาว่าเราโกหกบอกไม่ได้โกหกแล้วไม่ได้อวดอวตรีด้วยเพราะปัญญาที่ผมหมายเนี่ยหมายถึงปัญญาชนิดนี้ถามว่าคุณรู้ไหมล่ะคุณก็ไม่รู้ คุณไม่รู้เช่นคุณรู้สึกสุขทุกข์คุณก็นึกว่านั่นเป็นคุณสุขคุณทุกข์ความคิดไม่ได้ไปจับว่านั่นเป็นอาการเอาเป็นลักษณะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งคนละอย่างกับเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเกิดจากเหตจากปัจจั ย, ยนี่ะเนี่ยที่ตัวปัญญาตัวกําหนดรู้เนี่ยเรียกว่าอภิญญาปัญญา หรือลักษณะเฉพาะของปรัชญาธรรมนั้นเป็นอาภินเยะยยธรรมเราพูดแล้วเมื่อบรรยายเรื่องอาภินเยะยยธรรมนี่เราก็เอามาเข้ากลุ่มเข้าลําดับเข้าระเบียบของเรื่องนี้แล้วก็กล่าวซ้ําในส่วนที่สมควรจะพูดแต่เพียงเล็กน้อยคราวนี้ปริญเยะยยธรรม ข้างบนได้ขึ้นหัวข้อขึ้นจำนวนด้วยว่าทำห้าอย่างนะฮะห้าอย่างที่หนึ่งคือปอิญเยยธรรมติว่าแล้วโดยลำดับนี่นะสองคือป ร, รินญายยธรรมคำว่าเอยยะเนี่ยมันแปลว่าพึงหรือแปลว่าควรคือควรถูกกระทาด้วยปัญญา อารมณ์หรือวัตถุหรือนามรูปนะพูดอย่างภาษาวิปัสนาสั้นๆอย่างคุณก็คือนามรูปเป็นสิ่งพึงถูกกระทํากระทําโดยการรู้ด้วยปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยลักษณะมันคือรู้มันไปทําอะไรมันก็แค่รู้ทั้งนั้นและอาการรู้อาการรู้เนี่ยมันพิสดารเป็นอย่างรู้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ลักษณะร่วมกันก็คือรู้ สนิปปริญเยออยธรรมเนี่ยแปลว่าทำที่ควรรู้รอบหรือรอบรู้แต่ว่าโดยทั่วไปก็จะแปลว่ากำหนดรู้ฟังแล้วมันได้ความภาษาไทยแต่มันไปตีกันมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ถึงกับเป็นใบยันชนะดีเดียวนะแล้วมันก็ไปตีกันกระทำอื่นเพราะนั้นในที่นี้ก็ต้องการจะพูดให้มันชัดก็ขอขอแปลสั์ให้มันเป็นมีเป็นศั์แปลที่มีความเฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางอธิบาย ไม่ไปตีคําคำอื่นเพราะว่าเรายังจะต้องพูดถึงคำอื่นอีกมากที่แปลได้คำว่ากำหนดรู้กาหนดรู้เนี่ยนะเพราะนั้นปริญเยยยธรรมแปลว่าธรรมที่ควรรู้รอกได้แก่อะไรได้แก่สามัญลักษณะหรือพัตรายลักษณ์อนิจจังตุกขังหน้าตาปัจจัตาลักษณะนะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของธรรมแต่ละอย่ า, ยางแต่ว่าธรรมแต่ละอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตั ว, ตวเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่มีลักษณะลงเป็นอันเดียวกันในสามอย่างคือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาเป็นไปตามกระแสะเหตุปัจจัยมิใช่ใครบังคับนี่คือสามัญญลักษณะเวลากำหนดเนี่ยโดยลำดับของวิปัสสนาญาณเนี่ยนะ เห็นอะไรก่อนมันต้องเห็นตัวก่อนแล้วมาเห็นอันนี้อ่างเห็นอาการรวมอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้ก็แหละว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้น่ะถ้าเราไปอ่านอย่างที่ผมคัดมาเนี่ยถามว่าผมเอามาจากไหนการบรรยายเที่ยวนี้จะไม่ได้มุ่งคัดสูตรแล้วก็ใส่อ้างหลักฐานเหมือนกัอย่างบางเรื่องนะ ผมจะสระุปแล้วประมวลแล้วก็ทำเป็นคำพูดสัน้นๆเพราะเรื่องมันยากทำคำพูดสั้นๆแล้วก็จะทำให้เรากำหนดเนื้อความได้ชัดขึ้นเอที่มาของเรื่องนี้นะแล้วก็ใส่องค์ทใไ้ด้วยกล่าวไว้ในธรรมมหาสยยวิพังปาริบดกเล่มสา้าวิพังสุดท้ายเลย แปลว่าหัวใจแห่งพระธรรมนะครับเวลาเขาใส่องค์ธรรมเนี่ยในชั้นนี้นะผมใส่องค์ธรรมอย่างตามแนวอภิธรรมสังฆะซึ่งก็ไม่ขัดกับที่อื่นแต่ว่าในการบรรยายละเอียดนะผมจะคัดธรร ม, มะเป็นหมดหมดมาให้เห็นแล้วแต่ว่ามันก็จะลงอยู่ในในองค์ธรรมจันอภิธรรมที่เรารู้นี่แหละครับคือเวลาเราไปเจอองค์ธรรมคนเนี่ย ไอ้อ่านที่แรกเราก็นึกว่าเอ๊แล้วมันต่างกันตรงไหนคือบอกว่าอภินยัยยธรรมก็ได้แก่โลกียกจ 81, ิตแปดสิบเอดเจตสิกห้าสิบสองรูปีสิบแปดคืออภินเยยธรรมคือป ร, รินยัยยธรรมองค์ธรรมเดียวกันแล้วนก็ต่างกันตรงไหนนี่เป็นความสะดุดธรรมะสงสยัย ว่าทำไมใส่องค์ธรรมไปเหมือนกันแล้วจะต่างกันตรงไหนความต่างมันอยู่ที่ลักษณะขององค์ธรรมเหล่านั้นอย่างเช่นคนกําหนดรู้เวทนาด้วยกันเวทนาตัวเดียวกันเนี่ยในขั้นกําหนดรู้ลักษณะฐานะของเวทนาตอนนั้นเป็นอภินยิยรักษณะเฉพาะตัวนะต้องต้องเติมให้เต็ม ฐานะของเวทนาที่ถูกกําหนดโดยอาการว่าเสวยอารมณ์ลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยเป็นอภินเยยธรรมแต่เมื่อกําหนดไปกําหนดไปเห็นว่าไอ้ลักษณะเวทนาซึ่งมีลักษณะเสวยอารมณ์นั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฐานะตรงนี้ขณะนี้ที่ถูกเห็นตรงนี้เป็นป ร, รินเยยธรรมและปัญญาก็เลื่อนระดับไปด้วย ไปเรียกไอ้ปัญญามันก็อบรมมาในคนคนเดียวกันแล้วครับแต่ตอนเห็นลักษณะเฉพาะตัวกําหนดอาพิเนธรรมปัญญาตอนนั้นเป็นอาพิยาปัญญาไอ้ปัญญาอะไรอะไรตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งงงกันแล้วกันนะขอให้นึกว่าลำดับก็แล้วกันพอไปเห็นความไม่เที่ยงขยับขึ้นไปนิดหนึ่งก็เวสนานั่นแหละ แต่เห็นในแง่อาการไม่เดียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญานั้นถูกเรียกใหม่แล้วว่าเป็นป ร, ริญญาปัญญามันเขาถูกกาหนดเวทนาตัวเดียวเพียงแต่กำหนดเห็นตื้นลึกหนาบางแค่ไหนตรงมุมไหนยังไงนี่คือความแตกต่างเวลาใส่องค์ธรรมแล้วก็ใส่ดูเหมือนกันอย่างนี้ ผมก็เลยใส่ความต่างไว้ทั้งหน้าแล้วก็เข้าหมหาองค์ดำมาเหมือนกันคราวนี้มีปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะต้องพูดไว้นเอานิดเดียวแต่ว่าไปถึงตรงนั้นแล้วอาจจะต้องพูดกันให้ค่อยๆพิสดารไปโดยลําดับว่าถามว่าถามอย่างนักอภิธรรมทามไม่ใช่นักพิธางก็บอกว่านา้ำรูปแล้วไม่ต้องไปแจงว่านา้ำรูปโล ก, กุตะละโลกียะไม่ต้องรู้ก็ได้ก็ทํ า, าวิปัสสนากันเป็นเพราะ ถึงเราจะไม่รู้เราก็มีนามรูปอย่างที่เรามีก็กําหนดไปนะแต่พอพูดเป็นเชิงทฤษฎีนะไม่ได้พูดเฉพาะคนพูดรวมหมดว่านามรูปที่เอามาเป็นอารมณ์วิปัสนาเนี่ยเอาโลกาตะละนามมากําหนดได้ไหมเอาโลพานมากําหนดได้ไหมเอาโลกาตะละจิตมากําหนดได้ไหมว่าได้ก็ถูกตอบว่าไม่ได้ก็ถูกที่ว่าไม่ได้ ถูกก็เพราะว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่มีนิพพานมาเป็นอุปกรณ์ไม่มีมรรคจิตผพระจิ ต, จตเป็นอุปกรณ์ก็กำหนดเอามากำหนดไม่ได้แต่ว่าในทางหลักหลักจริงๆเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านก็จะพูดเช่นในเชิงอริยาศาสตร์สีมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอามรรคด้วยเอาเอานิโรธด้วยไอ้ตรงนี้ล่ะ ถามว่าเอามากำหนดได้ยังไงก็มีมัติที่จะพูดกันเยอะแยะผมพูดไปก็ยุ่งเปล่าๆตอนนี้นะฮะบางมัติบอกไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไปเลยถึงพูดก็พูดแบบว่าให้ละไว้เช่นในตำราพม่าว่าเหมือนกับบุคคลทำนาเนี่ยลองอยู่ในนากี่ร้อยไร่เนี่ยเป็นนาหมดแต่ว่าเวลาเอาข้อจริงนะไอ้ที่ไหนเป็นหนองก็เว้น ไอที่ไหนเป็นโขดเป็นหินเป็นต้นไม้ก็ต้องเวน้นเว้นไปโดยเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นหมวดทำใดที่เอามาวางแล้วกระทบไปถึงนิพพานถึงมรรคถึงผลก็เว้นไปโดยปริยา <c oughs> น, นี่ก็เป็นมติที่บอกใช้ไม่ได้นะแต่ว่าในในส่วนของคําสอนเนี่ยท่านพูดไว้เหมือนจะใช้ได้เีในแง่ที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดกันละกนันมันมีมันมีอะไรบางอย่างจะบอกตรงนี้อยู่นะทิ้งทิง้ตรงนี้ไปก่อน เขเขียนแผ่นอะไรไวบ้บางแผ่นแล้วเดี๋ยวถึงแล้วจะ่ายให้ดูแล้วจะวกกลับมาชี้ตรงนี้สิตรงนี้เป็นนั้นว่าเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเลยไปก่อนอทำที่สามคือปหาตับประธรรมได้แก่ทำที่ควรละถามว่าละในที่นี้นะ่ะหมายเอาละอากุศลละธรรม คือเวลาแสดงเป็นหมวดทำอย่างประศุนเนี่ยบางทีท่านก็บอกว่าละตันหามีที่ละตันหามานะติติละอะตัวอื่นๆบ้างมากเป็นโหลๆเลยก็มีครับยาวเหยียดเลยบางสูตรนะยาวเหยียดเลยอย่างเช่นในหลายสูตรที่ผมเคยบรรยายตามเอกสารยาวจนก็ต้องโอ้โหบรรยายแล้วฟังแล้วเหมือนจะซ้ําไปซ้ามาก็มีเยอะแยะบางแห่งก็ตัวเดียว<ม>บางแห่งก็บอกละอกุศลแต่ไม่ได้บอกว่าอากุศลอะไร แต่พอมาถึงในชั้นพระพิธรรมนี่เขาใส่องค์ธรรมเต็มไปเลยว่าในพระสูตรจะพูดว่าะอะไรก็ตามแต่หมายถึงละอากุศลธรรมอันเป็นองค์สภาวะซึ่งมันก็มีอยู่แค่สิบสองถึงแม้ว่ามันจะออกเป็นรูปลักษณ์โดยหน้าตาเป็นเยอะๆอยังไงก็ตามมันมีแค่1ิสองและบวกเกจตสิทที่อยู่ในอกุศลสิบสองนั้นเข้าไปอากุศลสิบสองไม่มีสักตัวเดียว ทั้งตัวจิตทั้งจวตัวเจตสิกเจตสิกอกุศลเจตสิกสิบสีแล้วก็อัญญธรรมนาสภาพจิตตาที่อยู่ในนั้นควรแก่การละหมดไม่มีขยับอะไรไว้ไม่เอาเช่นว่าสัญญาเจตสิกอย่างอากุศลสัญญาไม่เอาต้องละถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็นอันอเป็นสภาวจิตตาสาธารณะลองมันไปเป็นเครือข่ายของอกุศลแล้วก็ไม่เอาละหมด เพราะฉะนั้นอคุสนทุกตัวเป็นสิ่งควรละนะตรงนี้นะมันเหมือนเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งความจริงน่ะเฉพาะเรื่องนี้น่ะเคยนึกว่าจะได้เป็นหัวข้อไปพูดดีหนึ่งเรื่องความละกิเลสว่าไอ้คําว่าละกิเลสเนี่ยมันคืออะไรแน่ที่ที่จะพูดเนี่ยเป็นความสนใจของผมเองนะเลยสนใจหนักๆเข้าก็เลยศึกลองคน้นๆดูกิดๆ สืบๆดูแล้วก็เลยอยากยัมาพูดหน่อยปะก็เลยเมื่อมันไม่มีเวทีพูดที่อื่นเป็นเรื่องเฉพาะก็ยังมาพูดที่นี่ขยายนะะเท่าที่จะขยายได้ว่าไอ้ความละกิเลสเนี่ยคืออะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้แตกเนี่ยครับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในหมดธรรม่นแตกหมดเลยครับแตกหมดเลยจะพูดเป็นเชิงไหนก็ตามถ้าเราจับสาระตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เ, เราเฉพาะที่จะพูดเป็นข้อให้สังเกตตรงนี้ก็คือว่าภาระหน้าที่ของปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดแปลกที่น่าเลื่อมใสยอย่างยิ่งไม่ว่าจะคิดในแง่ไหนก็เป็นเรื่องความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในทางหลักในทางควรเป็นในทางควรสมาทานให้ได้ว่าความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ย เราไม่แยกว่ารู้อันคล้ายๆว่าเราพูดกันถึงการศึกษาทางโลกกว่าการศึกษาแล้วเนี่ยจริยธรรมมันพร่องต้องเติมการศึกษาในด้านจริยธรรมเข้าไปนะเติมไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปคล้ายๆว่าเรียนอันเดียวแล้วมันไม่ได้อันอื่นมันได้แต่อันนั้นคนที่รู้วิชาการอย่างโน้นอย่างนี้ดีเสร็จและจริยธรรมมันไม่มี แต่ความรู้ในพุทธศาสนาหรือปัญญาในพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นปัญญาอย่างรอบตัวเนี่ยที่เรียกว่าปริญญาเนี่ยผมผมที่จริงวันนี้นะผมกูจะพูดสั้นแต่เรียนให้ทราบว่าได้ค้นแล้วไม่ประมวลเรื่องไม่ทันประมวลเรื่องไม่ทันไอ้ปริญญารู้รอบค้นรอบเรื่องมันเยอะเครื่องสราเอกสารก็เสียซะด้วยก็เลย จะไปมัวนั่งคัดเกียเวลามากเลยขอเอาไอ้ประเด็นนี้ไว้พูดที่หลังก็ได้เหมือนกันก็จะได้ฟังทราบซึ่งเมื่อเราเรียนเนื้อหามาแล้วที่ว่ารู้รอบเนี่ยมันรอบอย่างนี้คือพูดถึงว่ายาฐานโลกเราคิดว่าเราจะเรียนอะไรต้องรู้เรื่องนั้นเอาความรู้เป็นสาระส่วนรู้แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องทีหลังรู้แล้วไปทําได้หรือไม่เอาไว้เคยพูดกัน เป็นภาคที่ภาคปฏิบัติรู้แล้วมจะดีหรือไม่ค่อยไปนี่ไนีมพระมาเทศอบรมหรือไปเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเอาภายหลังแต่ความรู้ในทางปริญญาเนี่ยชื่อว่าปริญญาเพราะมันรอบคือรู้สภาวะธรรมด้วยและความรู้สภาวะธรรมนั้นรู้แค่ไหนจะต้องมีผลต่อการละลายความชั่ว ตามส่วนแค่นั้นแค่นั้นเรื่องนี้มันมีปัญหาใหญ่ปัญหาแทรกเข้ามาเยอะผมไม่พูดถึงไอ้เรื่องโรกๆนะพูดถึงอย่างในวงการปฏิบัติเนี่ยลองยกตัวยอย่างให้เห็นแล้วมมีตัวตนคนในวงการนี้ที่สนิทกันมากแล้วคุยกันอยู่เนืองๆเนี่ยก็มี ว่าคนปฏิบัติมีความอย่างรู้มากอย่างรู้นี่อย่าลืมว่าผมหมายถึงการปฏิบัติเยอกตัวอย่างเช่นว่าเห็นความเกิดดับเห็นอะไรอะไรเนี่ยหลากหลายรู้จริงๆเราก็ยอมรับเออเขารู้จริงๆแต่พอมามองในแง่ของจริยธรรมแล้วเอ๊ะมันเกิดต่ำกว่าคนรู้น้อยๆกว่านี้ฟังเข้าใจไหมฮะ ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจในธรรมะก็บอกว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมแล้วทําไมอย่างนี้สงสัยรู้ไม่จริงบางคนก็ถามว่าเอ๊ะนี่เขารู้จริงหรืเปล่าแล้วรู้จริงทําไมเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าเออบางคนก็รู้แต่บางอย่างบางคนเนี่ยรู้จริงรู้แต่ทําไมสัสดส่วนของความดีกับความอย่างรู้เนี่ยมัน ทิ้งต่างระดับกันน่าศึกษามากแล้วผมก็จะให้คำตอบแต่ด้วยเดี๋ยวจะหาพูดๆเลยจริงๆไว้ไม่รับผิดชอบใครเรียกใครลาดประเภท น, นะทํทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ยังไงและขัดกันหลักสภาวะไหมตอบว่าไม่ขัดจะว่าขัดก็ธรรมะมันมันขัดกันด้วยกรามเป็นกระแสะเหตุปัจจัยของมันเองที่ผมจะพูดว่า คือโดยธรรมดาความปัญญาที่เข้าถึงสภาวะมันจะมีการละไปตามส่วนของมันแน่นอนกับทุกๆคนแต่บางคนเนี่ยส่วนสามส่วนนี่มันไม่ไม่มันไม่ได้ส่วนกันจริงๆนะผมถึงบอกว่าเนี่ยเวลาเราสอบเรามองไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเรียนปฏิบัติเรียนหลักปฏิบัติและเรียนคนสอนด้วย คือฟังคนสอนด้วยฟังเรื่องที่เขาสอนด้วยแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมะด้วยแล้วก็ดูตัวเองในหลักเดียวกันด้วยแล้วเราจะได้หลักตัดสินที่สำคัญขึ้นหนึ่งส่วนแห่งความดีกับความชั่วสองส่วนแห่งความสุขโดยธรรมกับความทุกข์สามส่วนแห่งความรู้ผมถามว่าเป็นไปได้ไหม บางคนที่รู้ธรรมะเยอะๆแต่ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขโดยธรรมะนะผมต้องใช้ควาว่าโดยธรรมกำกับไว้เพื่อให้มันอยู่ในกรอบสักหน่อยไม่ว่าจะในทางสังคมหรือไม่ว่าจะโดยธรรมดาที่ประโยชน์ที่ได้จากธรรมะนี่เอ๊ะกับน้อยนะเป็นไปได้ไหมนี่อันหนึ่งแล้วก็สองความดีมันเกิดไม่ได้ส่วนกับความรู้ เป็นไปได้ไหมแล้วในทางกับการคงบางคนเนี่ยปฏิบัติก็ไม่ได้เห็นอะไรลึกซึ้งแต่ส่วนทางความดีเนี่ยไปสูงมากส่วนทางความสุขก็ไปสูงมากนะนี่เราก็นึกสลับกันไปสลับกันมาแล้วบางคนก็ดูได้ส่วนส่วนไม่ต่างกันเท่าไหร่ถามว่าธรรมะทําไมถึงไม่ให้ส่วนสม่ําเสมอโดยหลักเนี่ยต้องสม่ำเสมอตอบว่าการผิดส่วนเหล่านี้ มันเกิดขึ้นจากปัจจัยแทรกซ้อนปัจจัยแทรกซ้อนมาจากไหนมันก็ไม่ได้มาจากนะมาจากตัวเองที่สะสมไว้แหละเช่นคนบางคนไปทําเวรทํากรรมไว้เกศความอย่างรู้ธรรมมันจะไปกล้างกรรมขวางกรรมได้อย่างสนิทร้อยเปอร์เซ็นตได้ไงใช่ไหมละ่ะเราทําไปเยอะมันก็ต้องเข้ามา มากน้อยแค่นั้นแค่นี้แล้วก็รวมทั้งไอความสุขอย่างอื่นว่าเอ๊ะทาไมคนเข้าวันแล้วทําไมถึงกลับไปแล้วที่บ้านเหมือนจะไม่เป็นสุขเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นตลอดไปหรอกแต่บางทีมันเกี่ยวกับกรรมมาเห็นเห็นเลยแต่จะยกตัวยอย่างจริงเได้เห็นจริงๆเลยว่าโอ้มันเกี่ยวกับกรรมบางอย่างต้องรอเวลาบางคนเขาก็เรียบร้อยเลยก็ไม่มีกรรมนัม้นในประวัติพระสมัยพุทธกาลก็อย่างนี้คนสมัยพุทธการก็อย่างนี้ บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเจริญธรรมแล้วจะออกออกบวชต้องหนีฮนะบางคนไม่ต้องไปลาภรรยาเขาให้บวชแต่โดยดีบางคนไปลาแล้วภรรยายังขอตามบวช ด, ด้วยไปได้กันทำไมตึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องเหตุผลในทางกรรมแล้วก็กิเลสที่เราสั่งสมไว้ ด้วยประการใดๆเนี่ยใช้คำว่าโดยประการใดเพราะมันมีมากมายหลายอย่างเลยเกิดเวลาเรามาทําปัญญาให้เกิดขึ้นกิเลส ท, ที่เราสั่งสมไว้ทําสั่งสมไว้ด้วยแล้วก็บางทีไอ้กิเลส ท, ที่มันออกไปแฝด ก, กรรมด้วยกรรมนั่นมันมามีผลสนองในทางทําให้เราชั่วมันก็มามาเป็นอุปสรรคทําให้เราเนี่ยได้ความรู้แล้วกิเลสของเรามันไม่ลด ผูกลดไปตามส่วนจะมันเป็นภาระของปัญญาต้องต้องแข็งกว่านั้นต้องมากกว่านั้นต้องนานกว่านั้นจึงจะละได้คืนได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้สัสดส่วนของปริญญาปัญญาเนี่ยมันเหมือนไม่เล่าความจริงมันรอบแต่รอบไปตามเงื่อนไขของเหตุปัจจัยเราก็เข้าใจอย่างนี้เราก็จะจะเข้าใจคนนะ คนที่ว่าใครเขว่ายังไงไงเข้าใจอ้อมเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองบา ง, ง, งคนก็บอกว่ช่วยบอกหน่อยนะว่ามีอะไรไม่ดีบ้างมาถามเราต่อหน้าวงสนทนาทั้งหลายคนเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมตอบผมขอไม่ตอบอ่ะเพราะอะไรเพราะหนึ่งผมตอบแล้วผมก็ไม่รู้คุณจะยอมรับเพราะคนอื่นก็จับเขาเงียบฟังอยู่ว่าผมจะว่างไงถ้าผมตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะ แล้วก็สองผมบอกแล้วคุณจะละได้หรือไม่นี่อันหนึ่งไม่ใช่ผมบอกแล้วคุณจะสมาทานรับได้ละได้นั้นบางทีเนี่ยมันต้องไว้บอกกันในบางเวลาและบอกให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเนี้เมะฉะนั้นวันดีคืนดีแล้วโอ้แมนี่ดีนะเดี๋ยวนี้ผิดกว่าแต่ก่อนเยอะ นี่เราก็แทนที่จะไปบอกตอนนี้ว่าเขาไม่ดีเราก็ให้กําลังใจเขาแล้วพอเขาทําดีขึ้นเราก็ไปชื่นชมเขาให้ก็รักษาไว้แล้วก็ให้อผ่อนเพล่าไอ้ส่วนอื่นเ ต, ต่อไปซึ่งมันมีในสังคมปฏิบัติรรมแล้วก็ขอให้เห็นเป็นธรรมดาสมัยพุทธกาลฉันใดเดี๋ยวนี้ฉันนั้นในเมืองไทยฉันใดพมา่าฉันนั้นพม่าเดี๋ยว่าเป็นเมืองวิปัสสนายไปแล้วก็ มันก็มีแล้วก็เราก็ได้จะบอกว่านี่แหละครับคือเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลังบรรลบกับกิเลสกิเลสมันก็ออกมาให้เราลบออกมาให้คนอื่นเขาลบต่างคนก็ต่างลบแล้วมันก็คือเนี่ยจะต้องจะต้องมีการละ้วยปัญญาเป็นลำดับเป็นลดับไปอย่างนี้มาว่าถึงต่อไปพาเวตตปธรรมธรรมที่พึง จะเรินก็คืออันนี้ท่านเอาสูงสุดมาว่าคือมัคที่เรายังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องอบรมให้บริบูรณ์ความจริงเนี่ยมัคเราก็อบรมตั้งแต่ต้นซึ่งยังไม่ได้บูรณ์อบรมไปจนต้องบริบูรณ์แต่ว่าภาวนาเนี่ยมันมีหลายอย่างครับมันมหีหลายชื่อที่เราไม่เคยได้ยินนะฮะ ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาจากแต่เก่าแต่ก่อนบางเรื่องก็มาเพิ่งได้ยินเมื่อจะพูดให้ฟังนี่แหละไปคนๆดูทีบางทีก็เคยอาจจะเคยอ่านแต่ไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษอะไรแล้วก็รับรองว่าไอ้ท่านอาจจะหลายท่านหรือเกือบจะทั้งหมดจะไม่เคยได้ยินภาวนาว่ามันมีกี่อย่างกี่ตัวในที่นี้นะ่ะท่านเอาอันเดียวคือมรรคภาวนา ควรอบรมควรเจริญทวนทำให้เกิดทำให้เต็มบริบูรณ์ถามว่ามันเป็นไปทีละอย่างหรือพร้อมกันตอบว่าพร้อมกันเป็นเรื่องพร้อมกันตัวมรรคเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะที่เรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ถูกกระทำ มันก็เป็นภาเวตาประธรรมแต่มากนะ่ะมีฐานะเป็นตัวกระทําด้วยผิดกับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นตัวถูกกระทําอย่างเดียวแล้วก็สัจจิกาตาประธรรมคือธรรมที่ควรทําให้แจ้งคือผลถ้าท่านจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่เอานิพผ่านเหมือนอย่างที่ผมเคยสงสัยเอ๊ะทาไมอ้าน้าจะเอานิา้ผานเพราะว่าไม่เอานิพผานเพราะว่าเขาพูดถึงญาณ พูดถึงยานไม่ได้พูดถึงยานคือตัวรู้นิพานไม่ใช่เป็นตัวรู้แต่นิพานเป็นตัวถูกรู้นะแล้วก็ผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวมันเองก็เป็นตัวรู้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทําให้แจ่มแจง้งตรงนี้แหละที่ผมจะให้มาดูอ่าส่วนที่จะอธิบายให้เห็นไปได้วยกันเออ่ ภาพที่ชี้ให้เห็นเนี่ยกำลังจะกล่าวถึงปริญญาปัญญาทั้งในส่วนโลยะส่วนโลกุตละแล้วก็ธรรมหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งของปริญญาปัญญาทั้งในส่วนโลยะโลกุตละเราดูในส่วนกลางเนี่ยที่เขียนให้เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมขลามตัดอยู่ในนั้นที่เขียนคาย่อวัตถุ นิมะมีใครไม่รู้บ้างว่าแปลว่าอะไรรับรองว่าไม่มีรู้หมดเพราะทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อย่อของอาลียสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมักอาลยสัตสีเนี่ยมี ทั้งหมดเนี่ยนะเอาเป็นพูดวนะ่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุของปัญญาเป็นวัตถุของปริญญาเป็นงานของปริญญาอริยสัจสีนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวปริญญาเป็นตัวปริญญาด้วยเป็นงานของปริญญาด้วยผมถึงเคยบอกเมื่อครั้งแรกตอนเปิดรายการแล้วยปริญญาคือความ รู้รอบเนี่ยถามารอบอะไรตอบว่ารอบทมที่ไม่ใช่ปริญญาด้วยแล้วก็รอบตัวเองซึ่งเป็นปริญญาด้วยที่เราใช้คําว่าความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องรู้ตัวมันเองด้วยไม่ใช่รู้แต่สิ่งที่พึงกําหนดรู้เราอ่านหนังสือไม่ใช่รู้แต่หนังสือจะรู้จักความรู้หนังสือนั้นด้วยคือตัวเอง ลักษณะปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะภาวนาเป็นอย่างนี้โดยแน่แน่โดยเด็ดขาดแล้วก็กลับทุกคนมันจะต่างกันได้ว่ารู้แค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึง่งคราวนี้มาดูในแง่ของอธิบายรายละเอียดอาลยสัตว์สี่เนี่ย คนทาวิปัสนาเรียกว่าเราเข้าไปยุ่งกับอริยสัจสี่ตามส่วนที่สมควรสมควรไปโดยลำดับจนถึงเต็มบริบูรณ์ในที่สุดทุกคนเลยถามว่าอริยสัจสี่ก็อยู่ในตัวเราเว้นแต่นิพพานนะมันก็เนื่องตัวเราก็เป็นสะพานทอดไป ทุกอยู่ในตัวเราสมุทัยอยู่ในตัวเรามรรคก็อบรมจากตัวเราเรามีเชื่ออยู่ในตัวเราแล้วดูตัวมรรคก่อนแล้วกันมรรคนี่ถือเป็นตัวธทำอาธรรมในผมหมายว่าตัวกระทําเป็นตัวทํางานเป็นปัญญาเราเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปหาแสนเริ่มจากหยดขึ้นไปหาเต็ม จากหนึ่งขึ้นไปหาร้อยจริงไหมครับมาดูตรงนี้ก่อนมัคเราจะไปรวบภาพมันเกิดขึ้นเต็มบริบูรณ์ไม่ได้ต้องค่อยๆ อ, อบรมให้มันให้มันจเจริญเต็มบริบูรณ์ทั้งกําลังของตัวมัคและก็ความรู้สิ่งที่มัครู้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอะ่ะรู้บริบูรณ์กาลังมัคเพิ่มขึ้นบริบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้น เป็นใบธรรมดาอย่างนี้เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยหมายถึงวิปัสสนานะมัคยังไม่มีเลยไม่มีในแง่กระทำนะยังไม่เกิดเลยในแงกรร่กระทำพอลงมือทำแร ก, กๆได้แก่ไหนก็แก่นั้นมัคได้แก่นั้นทั้งโดยกำลังทั้งโดยสัดส่วนไอ้มัคที่เราทำตอนเป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยในมัควิพัง ท่านเรียกว่าปันจังคิกมักความรู้ตรงนี้นะ่ะผมอ่านมานานแต่ผมเพิ่งมาได้คำตอบจากสำนักโมโกกถึงอ๋อจริงแล้วอธิบายปันจังคีมักในมัคควีพังต้องอธิบายอย่างนี้แล้วตรงเลยครับสอดคล้องกับประสูนร์ทั้งหลายเลยเพราะอะไร เพราะวิปัสนาเนี่ยมรรคทั้งแปดจะเกิดในวิปัสนาไม่ได้วิปัสนาญาโลกเกียววิปัสนาเนะ่อตรงนี้ผมห่วงว่าคนใหม่จะฟังแล้วไม่ทราบซึ้งเพราะว่ามรรคแปดมรรคห้าอาจจะนึกไม่ออกมากนักนะแต่ว่าคนที่เป็นคนเก่าจะได้แง่มุมขึ้นมาทันทีว่ามรรคแปดเนี่ย คนที่บรรลุมรรคยานแปดมันไม่ใช่หวบภาพแต่เกิดจากการค่อยๆ อ, อบรมวิปัสสนาญาณมีองค์มรคแค่ห้าเว้นไปสามที่ไม่มายุ่งด้วยในความเป็นโลกียะวิปัสสนาแต่ยุ่งด้วยในฐานะเป็นอาธิพรมอาจารย์คือเป็นศีลนะแต่ตอนเกิดวิปาาัสสนาญาณตอนนั้นมรคไม่ยุ่ง อ่มักสัมมาทิฏฐิสัมปทานโทสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาจิวาองค์มักที่เป็นศีลไม่เกิดเป็นความรู้สึกตรงนี้ลึกหน่อยครับลําบากใจที่จะพูดเอกับคนทั่วๆไปนะไม่เกิดเป็นความรู้สึกแต่ว่าเราได้สมาทานศีลอะไรต่ออะารเนี่ยถือว่ามีศีลโดยที่เรายัางไม่ได้รวงละเมิดตอนสมาทา น, นันเกิดความรู้สึกว่าเออสัมมาชีวาเราไม่ทําอย่างนี้นะ สัมมากัมมันตะเราไม่ทํางี้นะสัมมาวาจาเราไม่พูดงี้นะนี่สมาทานเกิดเจตนาขึ้นตอนเกิดเจตนาตอนนั้นยังไม่ไม่ได้ทําวิปัสนาขณะจิตนั้นไม่ใช่วิปัสนาเสร็จแล้วเราก็ไม่ล่วงละเมิดเราก็รักษาไว้พอกําหนดนามรูปแต่ละขนาดเนี่ยวิรติสามไม่มายุ่งด้วยตอนนั้นมร์องค์มร์แปดที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนกําหนดนามรูปจึงมีแค่ห สัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเป็นส่วนโลกีะอันเป็นส่วนแห่งอาสวะตามจำนวนในพระสูตรเกิดและสัมมาอื่นจนกระทั่งถึงสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเกิดนี่เกิดได้เต็มที่แค่หา้าท่านจึงเรียกว่าเป็นปัญจังกิรมากเป็นมักบุพพากเป็นบุพพาคมากก็เกิดทีแรกก็ น, นิดเดียวทำไปทำมาเนี่ยมักจะ ห้านี่จะบริบูรณ์เสมอด้วยอันหนึ่งแล้วก็จะทวีพลังมากขึ้นพลังมรดมีคุณลักษณะใดก็จะทวีพลังตามคุณลักษณะของตัวสัมมาทิฏฐิเป็นปริญญาเป็นมรดยที่ทําหน้าที่ปริญญาก็ทวีพลังในทางรู้สัมมาสติก็ทวีพลังในทางระลึกแยกยนละเอียดออกระ อ, อขึ้น แม้มากอื่นๆความเพียรก็ทวีพลังในความขยันขยันจนเข้ากระดูกดำขยันจนเป็นอัตโนมัติขยันจนไม่ย่อทอยอย่างนี้นะไปด้วยกันแต่ว่าชั้นต้นๆเนี่ยบางทีห้ามอาจจะพร่องบ้างนะพร่องหมายคก็ว่าบางทีกำหนดวิปัสนาวิทยะอ่อนนะพร่องมากพร่องน้อยแล้วแต่ว่าต่ำมากต่ำน้อย สัมมาทิฏฐิปะหมอเขาดีบางจังหวะหายไปเลยครับมีแต่ความเพียนท้าไม่รู้อะไรหรือบางทีรู้เหมือนกันแต่ว่าทิ้งอารมณ์นามรูปเสร็จแล้วไปจับอารมณ์อื่นเบลอไปเคลื่อนไปคลาดไปอย่างนี้ปัญญาเสียปัญญาเสียบางทีปัญญาอยู่แต่ปัญญาทิ้งงาน มันก็กลายเป็นปัญญานอกเรื่องถือว่าไม่ได้เป็นองค์มรรคในวิปัสสนาแล้วเทียบอย่างไงว่าเราทาวิปัสสนาอยู่เห็นนามเห็นรูปพิจารณาอยู่เสร็จแล้วก็เกิดไปพิจารณาทำตรึกตรองทรรมเสียก็มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิแต่ว่ามันเป็นนอกเรื่องซะแล้วถือว่าตอนนั้นน่ะถึงมีมีปัญญาเหมือนไม่มีปัญญาเพราะเป็นปัญญานอกเรื่องหรือว่า ท, ท, ที่ทำวิปัสนาบางทีทำาไปแล้วเนี่ยมันมีไอ้ไอ้ความพล่าเช่นกำหนดน้ำกำหนดรูปอยู่ดีๆอย่างเมื่อวันอาทิตย์มีคนเขาไปอยู่มาตั้งเจ็ดสิบกว่าวันนะคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ก็คุ้นเคยกันมาตั้งก็ยังไม่ทำพอหลังก็ไปทำจริง ทำแล้วก็ไปอยู่เจ็ดสิบกว่าวันหายหน้าไปแล้วก็มาเจอเขาก็มาเล่าอารมณ์ต่างๆในทางประสบการณ์ว่าบางทีทําำๆแล้วเนี่ยเอื้อมือไปจเจริญสติอยู่เนี่ยพอเอื้อมมือไปหยิบของมัพนิ้วมันติดกันหมดเลยติดจริงหรือเปล่าติดเหมือนตีนเป็ดอะพอไปหยิบก็เนี่ยติดเหมือนตีนเป็ดติดจริงไหมมันก็ไม่ยากรจริงไม่จริง มันไม่จริงไม่ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดไปกำหนดกี้นะเออให้มันติดมากขึ้นให้มันติดหมดมือก็ติดร้ายก็ติดขวาก็ติดเท้าก็ติดมันติดหมดหวีผมก็ผมพหวีกละบวผ่านหวีแล้วติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นพิจารณาไปก็ไร้ผลแล้วสมาธิ มันเข้ามาทำลายไอสมาธิเนี่ยจริงถ้าใช้บริหารไม่ดีมันเบลอรเรียกว่าเป็นภาพเบลอบเบลอในชั้นละเอียดเนี่ยมันมียิ่งกว่านี้เยอะเป็นภาพเบลอนั่นถ้าเราเใช้ปัญญาพิจารณาคอยดูเนี่ยเราก็จะละลายไอภาพเบลอเหล่านี้ออกวิธีทางหลักก็คือถามว่ามันเป็นลักษณะของนามรูปจริงหรือไม่ ไม่จริงเนี่ยใช้สติใช้สัมมัจญญะกาหนดตัดแต่ถ้านึกว่าเออมันติดมันติดเพราะอะไรนะจะติดนานแค่ไหนนะมือข้างติดกับมือข้างไม่ติดมันต่างกันยังไงนะไปพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่านอกเรื่องไปแล้วปัญญากลายเป็นเหยื่อของความคิดเบลอแล้วมันอีกหลายอย่างนะลักษณะลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้ยังเรียกว่ายาบไม่รู้พูดพูดนี่เจ้าตัวเขาจะมาด้วยเปล่าผงไม่ได้มานะผมไม่ได้มาแต่มาวันอาทิตย์อา่านี่คือปัญญานะครับอบรมอบรมไปในระหว่างอบรมเนี่ยเราก็ดูแล้วก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่ามักนั้นไม่ใช่อบรมในลักษณะที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไร ความรู้เอาปัญญาเป็นประธานเนี่ยถามว่ามันรู้อะไรตอบว่าสิ่งที่มันหน่วงไว้หน่วงไว้เป็นเรื่องเฉพาะหน้ายกขึ้นไว้ในความรู้สึ ก, กเป็นอารมณ์กำหนดคืออะไรเวลาเราเจริญมรรคเนี่ยมีใครบ้างให้มันนั่งหลับตาสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาสั ง, าางกัปปะเกิดสัมมาสติเกิดเกิดให้มากๆเกิดแล้วก็จงอย่างนั้นจงอย่างนี้ ได้ไหมมันเกิดไหมไม่ได้ไม่ใช่วิธีวิธีก็คือจะต้องกําหนดกําหนดอะไรกําหนดทุกทุกก็คือนามรูปนะไม่ใช่อื่นไกลกหนดทุกนั่นแหละเป็นหลักดูให้เห็นทุกโดยลักษณะเฉพาะตัวโดยลักษณะร่วมชัดเท่าไหร่ลึกลงไปเท่าไหร่มากตัวเท่าไหร่ ข้ามเลยปัจจุบันไปสู่อดีตอนาคตข้ามเลยตนไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างเสมอหน้ากันเป็นอันเดียวกันทำคนอื่นของอทำนามลูกคนอื่นกัของตัวให้เสมอกันให้เท่ากันอดีตกับปัจจุบันให้เท่ากันได้อย่างไม่มีย่องว่างเท่าไหร่นั่นเป็นความเจริญทางปัญญาในขั้นสูงมากนะเพราะฉะนั้นมรรคขั้นวิปัสสนาเนี่ย มีทุ ก, เ ป, นะทกเป็นอารมณะมีทุกเป็นอารมณ์มีทุกเป็นอารมณ์และในการกำหนดทุกเนี่ยจับ <c oughs> ทุกเป็นอารมณ์ได้ละเอียดเท่าไหร่ ถามว่าความชอบในทุกข์ก็มากเท่านั้นหรือความเบื่อในทุกข์ก็มากเท่านั้นตอบว่าความเบื่อในทุกข์ก็มากเท่านั้นความรู้สึกก็เกิดรู้แล้วมันได้ความรู้สึกนะและความรู้สึกนี้มันก็มีผลต่อการละกิเลสโดยฉับลันทันทีไปตามสัดส่วนใช่หรือไม่และเมื่อ เบื่อทุกข์ละกิเลสโดยอัตโนมัติจะพลนันทันทีเนี่ยตามสัดส่วนใจย่อมโน้มไปสู่นิพพานในของนิพพานความเข้าใจนิพพานความรู้จักนิพพานโดยในค้อที่ใช้คําว่าในเนี่ยหมายถึงเป็นคา น, นองเหมือนอนุมานแต่มันไม่ใช่คิดคํานึงอย่างนั้นนะเพราะว่านามรูปเป็นฉันใดนิพพานไม่ใช่เป็นฉันนั้นเราเห็นนามรูปว่ามันไม่ได้เป็น เป็นอย่างไรลึกเท่าไหร่ก็เห็นนิพพานตรงกันข้ามลึกในส่วนตรงกันข้ามชั้นนั้นมากเท่านั้นใจก็จะโน้มไปเรียกว่าโน้มไปโดยไหนนิยะปฏิเวทโดยมยังไม่ได้จับนิพพานเป็นอารมณ์ไอ้ที่เราบอกว่าเราอยากได้นิพพานเราอยากไปนิบาล น, นั่นแหละไอ้ความรู้สึกชั้นนอกวิปัสสนาเนี่ยมก็พูดกันไปตามเรื่องแต่คนที่ เห็นนามรูปเป็นทุกข์แล้วแล้วก็มันไม่ใช่พูดว่าอยากได้นิพพานอยากไปนิพพานนิพพานนับปัจโยตูอย่างธรรมดาแล้วมันอยากได้จริงๆใจโน้มไปจริงๆแล้วอย่างรู้จักนิพพานตามส่วนจริงเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับที่เรียกว่านิพพานเข้ามาเกี่ยวกับวิปัสสนานิพพานเข้ามาเกี่ยวกับวิปัสสนาอย่างที่ทิ้งปัญหาไว้เมื่อกี้ เข้ามาเกี่ยวอย่างนี้และผู้ปฏิบัติก็โน้มใจไปสู่นิพพานนั้นยิ่งอยากได้นิพพานก็ยิ่งเกลียนน้มลูกยิ่งอยากได้นิพพานก็ยิ่งอยากแกเข้าใจน้มรูปและอยากย่ า, ยาเบื่อน้มลูกไม่มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแรงอุดหนุนวนกันไปวนกันมาอย่างนี้ อ, อตะทางพระปหารคือละ้วยองนั้นคือวิปัสสนาแต่ละขั้นแต่ละข้อ แต่หละยลำดับญาณเรียกกระตาทางค่ะตทะแปลว่า น, นั้นอังคะก็คือญาณในที่นี้หมายถึงญาณแต่ว่าในปะหารเนี่ยมันมีหลายอย่างเมื่อถึงบทรายละเอียดผมจะยกมาทุกอย่างแต่ตรงนี้จะเรียนนิดหนึ่ ง, งว่าในปะหารสารพัดอย่างเนี่ยมันมีปะหารชนิดหนึ่งครับที่ เป็นประหานนอกวิปัสสนาด้วยเป็นประหารในวิปัสสนาด้วยคือตาทางข้าประหารเช่<อ>นศีลก็เป็นตทางข้าประหารประหารด้วยองค์คือศีลข้อธรรมคุณธรรมคือศีลถามว่าให้ทานเป็นตทางข้าประหารไหมคำสอนที่ให้ละกิเลสนั้นๆด้วยวิธีนั้นๆ ในทางทฤษฎีในทางความคิดนึกตึกตรองและในทางวิธีปฏิบัติบางอย่างที่ไม่ใช่ภาวนาใหมา่เป็นแต่ทางขับาลแต่ทางขบหารจึงเป็นป่าหานด้วยวิธีอันหลากหลายมากอย่างที่สุดพอมาถึงทรรมวิปัสสนาก็เป็นแต่ทางขบหารอีกเป็นอีกระดับหนึ่งเรียกว่าแต่ทางขบหารเข้าข่ายของภาวนาใหมา่ส่วนวิขัมนราผหานะแทบ ด้วยชานสมุดเช้าประหารยิ่งแคบหนักกว่าไปอีกแต่ไอาบแคบๆนั่นแหละครับมันประหารได้ยอดเยี่ยมมากอประหารได้มากอย่างต้องไปสร้างอุณธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวขึ้นมามาเป็นเครื่องประหารเลยต้องลงทุนลงแรงลงเวลาเอาไว้ถึงตรงนั้นแล้วผมจะลองพยายามประมวลมาดูว่ามันมีไอ้แต่ทางเนี่ยมันมีสัสดส่วนในเชิงทาง ธรรมดายังไงบ้างที่พอกระหมดได้นะอันนี้ก็พูดอย่างพอให้เห็นภาพกว้างอันนี้เป็นเรื่องอัตโนมัติทั้งนั้นจึงเป็นอันว่าเราทำอบรมตัวเดียวแต่ได้ทุกอย่างจึงได้เคยให้ข้อสังเกตในการพูดถึงอ น, นิสง์วิปัสนาแสดงความอัศจรรย์ว่า วิปั ส, สนาหรือภาวนาเนี่ยเป็นบุญยกริยาหรือเป็นมรรควิธีต่อการคุ้มครองชีวิตการพัฒนาชีวิตได้อัศาจรรย์คือทําอันเดียวแล้วมันได้มากอย่างพร้อมๆกันได้โดยที่เราไม่จงใจมันก็ได้โดยไม่จงใจบางอย่างถ้าจงใจถ้าหน่อยก็ยิ่งได้บางเรื่องนะแต่ไอ้สีย่ยางนี้ไม่จงใจก็ได้แหละทําอย่างเดียวได้หลายอย่างคืออันนี้ นัยยะแปลว่าไนไนเนี่ยหมายถึงเหมือนเป็นเชิงอนุมานหรือเป็นเชิงไม่ได้คิดถึงแต่ว่าใจเนี่ยมันโน้มเข้าไปอย่างไม่ไม่สามารถทําให้เป็นอารมณ์ได้ก็เรียกว่านันเหมือนยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติเขณะ น, นี้เรากําลังหิวอยู่ความหิวนั้นเป็นอารมณ์ของเราถามว่าความอิ่มเป็นอารมณ์ไหมไม่เป็น แต่เมื่อเราหิวเราก็จะเจียกตะกายไปหาความอิ่มทาไมจะต้องตะเกียกตะกายไปหาความอิ่มเรารู้ได้ไงว่าอิ่มแล้วมันดีมันตรงกันข้ามกับหิวอะถามว่าคุณรู้ได้ไงว่าดีตอนนี้ความอิ่มเป็นอารมณ์คุณเหรอไม่ได้เป็นอ่ะแต่เรารู้ว่าดีเราปรารถนานี่เขาเรียกว่าความอิ่มเป็นไหนแต่ถ้าสมมติเราอิ่มแล้วไปเห็นคนเขาอดอยากหิวโหย ความอิ่มเป็นอารมณ์ความหิวเป็นในทก็สลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นทุกๆเป็นอารมณ์นิพพานเริ่มเป็นในแหละเป็นแนวเป็นทางเลือกเป็นสิ่งพึงปรารถนาของผู้นั้นโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วไม่ต้องมาเกลีย ก, กล่อมย้อมใจกันให้อยากไปนิพพาน ไม่ต้องบอกเลยอยากไปเองเห็นเข้าใจนิพานอย่างอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเลยนะขณะ น, น, นี้พอทําสูงขึ้นไปเนี่ยมักจากศูนย์ขึ้นไปเต็มบริบูรณ์ถ้าถึงจุดเต็มบริบูรณ์ก็ถึงจุดที่เป็นอัดทังคีกระมักมักประกอบด้วยองแปดทันทีเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันเกิดการเปลี่ยนหน้า ในทางวัตถุคือหมายถึงธรรมที่เป็นที่ทอาศัยอบรมเนี่ยหรือธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมปริญญาในมครคนี่ถึงจุดบริบูรณ์มร์เป็นอาถางเกียรมร์เป็นมร์ขยานเป็นโลกุตระยานกลายเป็นมร์ขยานแล้วนะเพราะฉะนั้นมร์ขยานก็คือขณะจิตที่มีองค์มคร์แปดประกอบพร้อม ซึ่งเมื่อเราเทียบกับส่วนแห่งโลวิปัสนาญาณหรือโลยียานแล้วมันต่างกันว่าไอ้จุดบริบูรณ์เนี่ยฮะมันไม่ต้องมีบ่อยๆมีครั้งเดียวแต่มีอนุภาพทางทำลายสิ่งชั่วทางความเข้าถึงสิ่งดียังฉับพลันทันทีแต่อะไรที่เป็นของต่ำๆต้นๆนเนี่ย ม, มันต้องทำบ่อยๆ ไอนี่ก็ไม่เป็นเรื่องผิดสามัญสำนึกแต่ประการใดใช่ไหมฮะคนที่เขาทำอะไรเก่งๆเนี่ยปุ๊บปั๊บมันก็ทำได้แหละราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นเรื่องมืออ่อนๆเนี่ยดีต้องทำแล้วแก่แล้วแก่อีกทำแล้วทำอีกสะสมแล้วสะสมอีกมันคล้ายๆกันอย่างนี้ทั น, นี้ก็มาดูถึงขั้นมั๊กเนี่ยฉับพลันทันทีนั้น ละกิเลสโดยเด็ดขาดคือละสมุทัยโดยในอริยสัจสีเอาสมุทัยไปน็นหน้าแต่หมายถึงกิเลสอื่นด้วยใครที่เรียนเรื่องนี้มาในเทิงหลักเนี่ยมีหรอที่เขาบอกว่าพอไปถึงมรรคยานก็ละแต่สมุทัยตัวเดียวทิทธีเจตสิกยังอยู่มานะเจตสิกยังอยู่โทสะเจริยังอยู่นะเพูดงันเปล่าก็มาได้บอก ละอื่นแต่เอาตัวตัณหาเป็นหลักเป็นหัวหน้าเหมือนกับปริญญาเนี่ยก็ไม่ได้มีปริญญาตัวเดียวไม่ได้มีปัญญาตัวเดียวตัวอื่นด้วยแต่เอาปริญญาเป็นหัวหน้าอานิพพานกลายเป็นอารมณ์แล้วครับจากที่เมื่อทำวิปัสสนาเนี่ยมันคล้ายๆใจแล้วมันดิ่งมุ่งไปทางนั้น อยากได้ท้านเหมือนมีมีแม่มเหล็กดึงไปถ้าเทียบเหมือนกับกรรมเหมือนกรรมมันจี้ไปลางสังหรณ์พาไ ป, ไปไปไปไปไปหรือลายแทงบอกไปก็ไปพอไปถึงจุดของมันเข้าเจอขุมทรัพย์เลยคือพระนิพานเปิดถีบออกมานั่งนับดูว่ามีอะไรบ้างเป็นอารมณะปฏิเวท แทงตลอดนิพานด้วยการหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ทีนี้พอหน่วงนิพานมาเป็นอารมณ์ยานมันทิ้งทุกข์แล้วครับทิ้งทุกข์จากความเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าเราถือลายแทงจะไปหาขุมทรัพย์พอเจอขุมทรัพย์แล้วก็ทิ้งลายแทงใช่ไหมแต่ยังดูลายแทงก็อาจจะเดินเลยขุมทรัพย์มาก็ได้หรือไม่ได้ ไม่ได้ชมเชยทรัพนะั้นก็ทิ้งลายแทงแล้วก็ไปจับมากุมทรัพย์ตรงนี้แหละท่านถึงบอกว่ามันเป็นจุดจบของความรู้ถุกนิพพานะเป็นจุดสำเร็จของความทำให้แจ้งความเข้าถึงนะทุกที่ไม่ได้เป็นอารมณ์ของมรคนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่โง่นะ มันรู้สมหมดสิ้นแล้วเป็นอสัมโมหะปฏิเวทแปลว่าแทงตลอดอย่างผู้ไม่หลงอีกแล้วไม่หลงแล้วแม้ไม่นึกก็ไม่หลงอย่งเราไม่ได้ครับอย่างเรานี่มันต้องต้องคอยกำหนดรู้เพราะยังไม่จบเรายัางหลงเราจึงก็ต้องกำหนดให้มันให้มันหมดเปลือกให้มันรอบด้าน เราจึงจะไม่หลงได้จริงๆตอนนี้ก็ได้หยุดก็หลงกิเลสก็ไม่ได้ละขาดทุกข์ก็รู้ไม่ครบทั่วพอหยุดเข้ามันก็หลงไม่หยุดมันก็พอหรือหมูหลืมตาได้แล้วก็เลยเบ็ดเสร็จพร้อมกันอย่างนี้เลยกลับตาลปัดกันสิ่งที่กลับตาลปัดกันระหว่างปริญญาชั้นต้นคือปริญญาขั้นลงอียวิปัสนา กับบริญยาขั้นนิพพานเนี่ยคือผลัดอารมณ์จากทุกไปเป็นนิพพานแล้วก็กิเลสนั้นยกระดับของการละคือมีศักยภาพในการละต่างกันแล้วก็มรรคนั้นเป็นเรื่องของการความสมบูรณ์พลังของความสมบูรณ์ต่างกัน นี่ก็เลยกลับสลรปัดกันอย่างนี้เนี่ยก็เลยชี้ให้เห็นนันหนึ่งว่ า, าในในในส่วนทุกขสมุทัยส่วนนี้นะหมายถึงส่วนวิปัสนาญาณเนี่ยยังตัวญาณ น, นี้เป็นโลกีญยาณยและยังเล่นอยู่กับสังสารวัฏตะทุกอยู่ตัวญาณก็ยังเนื่องอยู่ในวัฏฏะนะฮะแล้วก็อารมณ์ก็ยังเป็นวัฏฏะ คือทุกพอไปถึงมรรคยานตัวยานเป็นโลกุตระยานแล้วก็เล่นอยู่กับวิวัตตะคือมรรคยานตัวเองก็เป็นโลกตลุตระแล้วก็นิพพานก็เป็นวิวัตตะนี่ก็เป็นส่วนแตกต่างอย่างนี้อ๋ อ, อ, อผมความจริงก็ได้อธิบายในทางเนื้ออยู่ อันนี้เนะี่ยเป็นเส้นปลาๆเนี่ยผมหมายถึงว่า <c oughs> เป็นไอความเป็นปริญญาอาการที่ท่านถือว่าเป็นความรู้ในพุทธศาสนาว่าความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาที่ว่ารู้อะไรอย่างทำเป็นอารมณ์ไอเส้นหนาๆเนี่ยคือรู้อย่างเป็นอารมณ์แต่ปัญญานั้นมันได้กระทำความรู้พลังความรู้ของมันเนี่ย มันมีรอบส่วนอื่นที่ไม่ได้เป็นอารมณ์คือละนี่ถือว่ารู้เหมือนกันนะรู้ทั้งตัวกิเลสไม่ใช่ว่าละแล้วไม่รู้ไม่ได้ละเนี่ยต้องรู้แล้วก็มักถามว่าวิปัสสนารู้ตัวเองไม่รู้ อ, อรู้ยังไงเนี่ยจะอยธิบายให้ทราบซึ้งภายหลัง สำหรับประเด็นตรงนี้นะแล้วก็พุ ก, กู้อย่างไงอันนี้มันชัดเจนอยู่ในตัวท่านบอกว่านี่คือความรู้หมดความรู้ทึ่มีอยู่สองด้านคือรู้ส่วนที่ทำให้เป็นอารมณ์แล้วก็รู้ส่วนที่ไม่เป็นอารมณ์เพราะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเอาง่ายๆเราไปทำวิปัสสนาเรารู้ทำแบบ หากทำวิปัสนาแบบได้แบบหนึ่งเรารู้แต่ถ้ากําหนดท้องฟองท้องยุบก็รู้แต่ฟองแต่ยุบสุขทุกข์ชั่วดีไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ท้องฟองท้องยุบออกมาก็ท้องฟองท้องยุบติดตามมาเห็นใครก็พองฟองยุบยุบไปหมดอย่างเงี้ยหรือว่ารู้จักกิเลส้วยฐานจริงๆเรารู้จักกิเลสด้วยใช่ไหมฮะ เห็นกิเลสทั้งตัวเราเองด้วยที่มันเข้ามาอ้วนเปลี่ยนกับน้ากับรูปและถามว่าเรารู้จักตัวรู้ของเราไหมตัววิปัสสนาตัวสติธรรมะชัญญะเรารู้ไหมงั้นเรามันมานั่งมันถามปัญหาหรอกว่าเออทำแล้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แกจะ แ, แก้ไขยังไงจะยกระดับมันรู้รู้หมด เนี่ยมันก็จะเข้ามาป้วนเปลี่ยนแล้วมันก็ค่อยๆจางคลายไปส่วนนั้นท่านั้นถ้านี้ไอ้ทุกข์เหมือนกันทุกข์คือเรากําหนดเห็นเนี่ยไอ้ทุกข์กำหนดทุกข์ตอนปัญญาเราหยาบเนี่ยมันก็เห็นอย่างนะเห็นชั้นหนึ่งทําไปทําไปและไอ้ทุกข์มันไม่ใช่หน้าเดิมหรอกเราเห็นทุกข์ละเอียดลึกลงไปเห็นแง่มุมละเอียดลึกลงไปแล้วก็ในทางละก็ละ ในแง่มุมละเอียดลึกลงไปแล้วกิเลสเข้ามาก็แง่มุมละเอียดลึกลงไปปัญญาเราเองก็แง่มุมละเอียดลึกลงไปเนี่ยเพราะนั้นไอ้ละเอียดลึกลงไปตามลำดับเนี่ยเราถึงไปถึงจุดตันเน่ยปัญญาตันกิเลสตันตันไม่ได้แปลหมดกิเลสนะหรืกิเลสไม่มีทางไปนะคือเรตันที่จะละมันนะไม่ใช่ว่ากิเลสตันกิเลสไม่มีทางไปเหมือนปัญญาตันไม่ใช่ านามรูปที่เรากำหนดเนี่ยกำหนดไปกำหนดมาแล้วตันที่มันมีสารพัดนั้นบางคนนึงต่างปัญหาว่าเอ๊นี่ฉันฉันชักกลุ่มแต่แล้ะเพราะว่าฉันชักจะได้โสรสาสยานมากรอบเกินไปซะแล้วเ <c oughs> ข้าใจไะม <c oughs> คือว่าปกติเนี่ย วิปัสนาญาณโดยทางหลักมันมีกันได้แค่คนละสีรอบเท่านั้นแหละใช่ไหมรอบหนึ่งเป็นโสดาบันรอบที่สี่เป็นพระลานเอไปทำที่นี่ก็ได้มาแล้วตั้งสามรอบไปทํานี่ได้อีกสี่ห้ารอบอย้ายสานักไปเรื่อยๆด้วกันหูแต่ละรอบแต่ละรอบลึกๆคือคือหมายถึงมีไอ้คอเหมือนบ้างแต่มันหลายรอบเนี่ยเอมันชักมากไปแล้วจะให้เป็นพ้าอะไรดีใช่ไหมลนะ่ะ นี่ยมันก็เป็นจุดตันจุดตันว่าเอ๊ะเรารู้อย่างไงของเราคุณสมบัติของเราเป็นอะไรขณะนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องหนึ่งถึ่งเวลาอธิบายเนี่ยมันจะต้องไปโยงถึงหมดเลยครับอธิบายเอาตัวเดียวไม่ได้เพราะความรู้ต้องสัมพันธ์กับทุกที่รู้สัมพันธ์กับกิเลสที่ละแล้วก็สัมพันธ์กับไ อ, ไอความรู้สึกที่ ที่เรียกว่าใจถึงใจโน้มไปสู่นิพานเบื่อว่าตาพวกนี้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเราจะต้องสอบดูทั้งทั้งสี่ส่วนนี้ไปด้วยกนันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายซะแล้วแล้วที่ผมพูดดิผมไม่ได้แปลผมบอกว่ามันง่ายสําหรับผมนะฮะมันเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนมันแต่ว่าไอ้ความยากนี่มันท้าทายเราให้เรากล้าฟังกล้าศึกษาแล้วก็กล้าที่จะเป็นกลาง กล้าที่จะฝืนอคติที่เป็นฉันทาคติของเรากับการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้หรือวิธีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าที่เรามาพูดอย่างนี้ให้หลักกลางเท่านั้นไม่พูดผูกกับสำนักกับวิธีใดแล้วก็ไม่ได้ตั้งเจตนาแอบแฝงว่าจะไปพูดให้หมายถึงใครถูกใครผิดพูดอย่างใจเป็นกลางกับทางหลักกลางจริงๆ ฟังแล้วใครดึงไปเป็นประโยชน์ในทางการอย่างรู้ได้อย่างไรก็ขอให้เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเอาละอันนี้ก็มาพูดต่อถึงถึงสัจจิกาสัพพธรรมสัก น, นิดหนึ่งเพราะว่าสัจจิกาสัพพธรมเนี่ยท่านถือว่าเป็นจุดสําเร็จแล้วจุดหมายปลายทางในทางปัญญา ที่มันอยู่ในมือของเราอยู่ในตัวเราอยู่ในความรับผิดชอบของเราส่วนนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นที่ถึงของผู้อบรมปัญญานิพพานไม่ได้อยู่ในตัวเรานิพพานไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบที่จะให้นิพพานจะไปพัฒนานิพพานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เอานะเรามาพูดถึงเรื่องกิจประเด็นเรื่องกิจ กิจนั้นแปลว่าหน้าที่ปริญญามีสี่ปริญญากิจการที่รอบรู้โดยอาการสามปหานกิจการที่ละโดยอาการสองภาวนากิจการที่เจริญโดยให้เกิดมรรคยานสี่สัจชิกิริยากิจ การที่ทำให้แจมแจ้งโดยให้ถึงผลละยานสี่ปริญญาสามดูหัวข้ อ, ขอที่อธิบายประเด็นที่หนึ่งของขอ เ, อเรื่องกิจ <c oughs> คือยา <c oughs> ยาตาปริญญากำหนดรู้ตามความเป็นจริงที่ปัจจัตลักษณะของนามรูป เรียกว่ายาตาปรินญาตีรณปริน ญ, ญากำหนดพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่สามั ญ, ญลักษณะของนามรูปตีรณปริน ญ, ญากำหนดพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่สามั ญ, ญลักษณะของนามรูปปหานะปริญญากำหนดละก <c oughs> ิเลสที่เกิดกับนามรูปเพราะการกำหนดรู้ เห็นอยู่มีข้อความตอนท้ายนิดหนึองว่าปหานาปริญญาในวิปัสนาภาวนาหมายเอาตะทังคะปาหานกับสมุดเขตฐปราหานเท่านั้นอันนี้เราหมายถึงวิปัสนาภาวนาทั้งในส่วนโลกิยะโลกุตะละทั้งโดยตรงโด ย, โดยโอ้อมนะคือปาะหานหมีหลายอย่างจริงแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิปัสนาแล้วมีสองอย่างเท่านั้น วิคัมพนะไม่เกี่ยวโดยตรงแล้วก็ น, นิสรณะปะหาน า, นาก็เลยไปปฏิปัปสัทิประหารก็เลยไปไม่เกี่ยวเอาไว้คราวต่อไปนะจะถึงเรื่องประเด็นของการละเหล่านี้ผมจะดูลวดแล้วก็จะพาไปดูแผนภูมิเลยอธิบายไปได้วยกันเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันคาบเกี่ยวกันนะอธิบายส่วนก็กระทบไปถึงอีกส่วนอธิบายแยกเอ ก, กเทศไม่ได้ผมอ่านให้จบไปนะปัญญาสามอย่างกิจสี่อย่างแล้วป ร, ริญญาคืออาการป ร, ริญญาเนี่ยจิงเป็นชื่อของอาการรู้ของปัญญาส่วนตัวรู้เนี่ยคือปัญญา ที่ท่านแสดงไว้เป็นสามอย่างคือยาตาปริญญาอาการรู้อย่างนี้เป็นอาการรู้ของของยาตัดฐะยานยานรู้ยานคือความรู้ตามหมายถึงรู้ตามลักษณะนามรูปเท่าที่ปรากฏในเห็นก่อนนะแล้วก็ในชั้นอย่างในวิสุทธิมรร ชั้นอัตถกถ า, ายาตัายานเนี่ยชั้นพระไรบิดกอภิญญาปัญญานั้นชั้นอัตถกถาเรียบอภิญญาปัญญาไ อ, าอา้คำพูดเลยมันจะไปตีตตกันนะะคือเลยไม่ค่อยอยากจะมาพูดไว้ก่อนเดี๋ยวจะตีกันเพราะว่าเรากำลังจะทาค่อยๆทำความเข้าใจแล้ว ส่วนแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชัดก่อนแต่เมื่อเข้าใจแล้วตอนหลังก็ไม่ตีกันเองอตีรณนบริญญาอาการรู้นี้เป็นการรู้ของตีระัถาถยานคือยานคือความใคร่ครวนไอ้นี่ก็ไม่ได้คิดนะแต่มันหมายถึงการรู้เจาะลึกลงไปลึกลงไปคืออันนี้ผมก็ย้อนนิดนึงว่า ไอ้คำว่าปัจจัตตลักษณะเนี่ยมันก็คือสภาวะประมัาทินั่นเองคือตัวปรมาทินั่นเองอะอย่างเช่นปฐวีรูปกับลักษณะแข็งเนี่ยมันไม่ใช่คนละสิ่งกันนะไม่ใช่ว่ารูปอันหนึ่งและแข็งอันหนึ่งแข็งนั่นแหละคือปฐวีรูปแเรากําหนดแข็งนี่นคือกําหนดตัวปฐวีรูป แล้วกำหนดเห็นความไม่เที่ยงของแข็งนั่นแหละเห็นอานิจังหรือทุกขังอนัตตาต่อไปนี่คือการตรองคือเห็นลักษณะเฉพาะตัวจับเห็นตัวสภาวะแล้วก็ดูตรองลึกลงไปว่ามันอักมีอาการเป็นยังไงตัวนามรูปเป็นมีอาการเป็นยังไงตรงนี้เรียกว่าตีรนะ แปลเป็นไทยแล้วก็โดยมากจะแปลว่าพิจารณาบ้างหรือใคร่ครวญบ้างไม่รู้จะแปลท่าไหนเพราะว่าธรรมะเป็นของภาษาบาลีเลยกลายเป็นศัพท์เทคนิคที่บางทีใช้สทับศัพท์จะทราบซึงกว่าแปลเป็นไทยแล้วก็หลายคนมีสิทธิ์จะแปลหลายก็เลยแปลเป็นหลายๆจำนวนจำนวนไหนเป็นที่นิยมก็ก็ใช้จำนวนนะ แล้วพอไปแปลคำอื่นแล้วก็เลยตีกันนะจานวนแปลเลยตีกันเองเลยไม่เป็นศัพท์เทคนิคฟังแล้วเลยไม่รู้จะตั้งความหมายไว้ตรงจุดไหนญ า, าตาครับฮ่าฮ่าไม่ใช่เตือนนะนี้มันอะไรคือหมายถึงรู้ลักษณะรู้ตัวปรมัดตัวไงยาตารู้ตัวปรามัดจับตัวปรามัตดได้ตีระนะจับอาการร่วมกัน ของปรมัตาทั้งหลายได้ว่าความแข็งนั้นไม่คงที่เช่นเดียวกับความร้อนซึ่งเป็นตัวปรมาท์อันหนึ่งไม่คงที่งั้นถ้าเราไม่ลืมอย่างที่ผมเคยย้ำไว้ว่าสภาวะประมาท์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นแต่ลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้น นั่นแหละคือตัวสภาวะประมัติต์ตัวสภาวะประมัิต์เป็นลักษณะตัวบัญญัติมักจะออกมาเป็นตัวตัวเป็นหน่วยหน่วยเป็นขนาดขนาดนั่นไม่ใช่ตัวสภาวะประมัติต์ตัวสภาวะจึงช่างตวงอะไรไม่ได้ช่างตวงวัดอะไรไม่ได้ถึงว่าอันนี้ก็จิงต้องระวังว่าเวลากําหนดแล้วถ้ากาหนดแล้วเห็นเช่นเห็นผัสสะเป็นตัวตัว อย่างบางคนนานแล้วเคยบอกมีจบปริญญาเอกนะปริญญาเอกแล้วก็ตอนหลังมาเล่นวิวัสฒนาบอกโอ้ยผัสสนี่มันเป็นตัวตัวนะเป็นตัวตัวเหมือนกับขึ้นไปเครื่องบินแล้วก็ถ่ายภาพทางอากาศเห็นเป็นตัวตัวเป็นเหมือนเป็นดาวๆาวกลางทะเลเป็นปลากายปลากายวับวับนี่คือผัสสนเป็นตัวตัว ไอ้ทีแรกแล้วก็ไม่อยากคุยขัดคอก็ฟังท่านไปพอหลังพอคุณมากขึ้นก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันใหม่แต่ตอนหลังก็ไม่เป็นตัวแล้วเป็นลั ก, ลกษณะแต่หลงเป็นตั ว, ตวแล้วก็โอ้รับรองเราเห็นไม่เหมือนกันแหละครับเราเห็นสภาวะธรรมแต่อย่างเดียวกันเป็นตัวเป็นขนาดต่างๆกันแน่นอนเลย ปหานะปริญญาคือการกำหนดคือเป็นอาการรู้ของปัญญาที่ชื่อว่าปริจาคัถยานยานคือความสลักหรือปหานะปัญญาเอ า, อาเราว่าถึงตรงนี้ก่อนคือทั้งสามเนี่ยต้องเข้าใจว่า มันไม่ได้หมายขางว่าพอเลื่อนปริญญาขึ้นมาแล้วคุณลักษณะของปริญญาต้นหายนะหรือปริญญาต้นจะหมดไปมันไม่หมดแต่บางทีพูดว่าเหมือนมันหมดแต่บางทีพูดเหมือนมันมันมีด้วยกันก็อันนี้เราอย่าอย่าไปนึกว่าตันพูดแล้วชวนสับสน ที่บอกว่าเหมือนมันเหมือนมันหมดเนี่ยก็คืออย่างเช่นเราจบปริญญาเอกเราจบปริญญาอะไรมาแล้วบอกผมจบปริญญาตรีผมจบปริญญาโทและผมจบปริญญาเอกครับไม่ต้องบอกบอกก็จบปริญญาเอกก็นั้นว่าจบหรือคนเรียนจบนักธรรมเอกก็ไม่ต้องบอกผมจบนักธรรมตรีผมจบนักธรรมโทผมจบนักธรรมเอกครับต้องไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดอันเดียวแต่ที่เขาบอกเขาจบอันเดียวแปลว่าอันอื่นมันยังอยู่ มันสมบูรณ์ขึ้นมันดีขึ้นจนกระทั่งมีลักษณะของความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างนี้มันหยัดได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะอยู่ในแผนผังที่เจตยาพูดแล้วก็เขาต่อๆไปจะเขียนเป็นแผนภูมิของการท่วมทับกันของไอ้คุณธรรมที่บุคคลอบรมให้กล่าถึงเนี่ยมันทับซ้อนกันขึ้นไปขึ้นไปเป็นความต่างเหมือนอยู่ในอันเดียวกันอย่างเช่นยาต่าง คนทําวิปัสนาไปจนถึงชั้นใดก็ตามเว้นมักไว้เว้นมักไวมาขยานนะทิง้งสภาวะลักษณะหรือปัจจัารลักษณะได้ไหมเขียนบอกว่าฉันไม่เอาปัจจารลักษณะฉันจะเอาแต่อนิจาลักษณะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอนิจจังยังมีลอยลอยไม่ได้ จะเห็นลอยลอยที่ใดที่อื่นไม่ได้ต้องเห็นในอยู่ในปัจจัตตลักษณะเหมือนเห็นความตายเนี่ไปเห็นลอยลอยที่ไหนไม่ได้ต้องเห็นที่ตัวคนอันนี้จังต้องเห็นที่ตัวสภาวะประมัตตัวสภาวะปรรมะจึงยืนอยู่เสมอแล้วก็เห็นใ น, นจังก็ยืนอยู่เสมอการละนั้นละกิเลสไม่ใช่ละ ในขณะคนทิ้งอามรมณ์กรรมฐานนี่พูดถึงขั้นโลกียะวิปัสนาผมต้องย้ำอย่างนี้ไว้ถึงย้ำแล้วผมรู้ว่าบางคนจะยังไม่เข้าใจอะไรชัดเจนนะแต่ก็จะเป็นประโยชน์ที่หลังบางคนหลายคนก็จะเข้าใจได้เลยเอานึกดูให้ดีฮะเรากำหนดนามรูปเห็นอนิจจังเห็นความเห็นอาทีนะวะ เห็นอนิจังเห็นความหน้ากลัวหน้าเบื่อเห็ความดับเนี่ยขณะเห็นนั้นมีการละการละมีในขณะเห็นใช่ไหมะถูกไม่ถูกถ้าบอกว่าเห็นก่อนที่เราไปละที่หลังไอ้ยังงั้นก็สบายเราสิเราไม่ได้ทำวิปัสนามานานถามว่าละไหมทิ้งนามทิ้งรูปมานานทิ้งอนิจังห่างปัญญาลามานาน ระหว่างนี้มีการละไหมไม่มีเพราะฉะนั้นการละต้องละได้เมื่อเห็นต่อหน้าต่อตานี่ขั้นขั้นวิปัสนาโลกยะนะถ้าใครทิ้งตอนนั้นจริงอยู่ถึงกิเลสไม่เกิดแต่ท่านกล่าวว่านั่นเป็นขอบเขตลัสมีของความละที่แผ่ขยายครอบคลุมไปในโดยการนานเท่านั้นเท่านี้ เขียนว่าเราตอนที่เราเห็นนามรูปเกิดดับในสะดุ้งสะเตือนมากทําให้เกิดการคืนคลายขึ้นมาอย่างเรียกว่าจุกหัว อ, อกขณะนั้นเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็ไม่เห็นอีกขนาไม่เห็นอีกก็ยังมีความรู้สึกสะพึงกลัวอยู่อันนั้นเป็นผลพวงแล้วก็พอนานเข้านานเข้าความสะพึงกลัวนี้เพิ่มมากขึ้นหรือลดลง หลังจากที่เราไม่ได้กาหนดรู้แล้วไม่ได้ทำวิปัสนาแล้วตอบว่าลดลงไอ้อย่างที่เราบนๆกันละแหมตอนเข้ามันก็ยังงูอย่างนี้แต่พอออกมามันก็ค่อยๆจางไปจางไปจางไปทำไมมันไม่คงที่อันนี้เขาเรียกว่าตาทางคะมันคุ้มครองผลได้ในขอบเขตเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่บรรบุตรเขต ปริญญาทั้งสามนี่เป็นทั้งโลกิยะวิปัสนาแล้วก็ปรากฏในมักคะยานด้วยเอานะฮะตรงนี้แหละเราจะไปดูแผนภูมิกันเลยที่จริงถ้าลงแผนสสัหน่อยก็จะสะดวกในการชี้มากขึ้นนะนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ในแผนสก็เลยต้องดูในเอกสารแล้วก็หมายรู้ไปตามที่ผม บอกกมแสดงไปโดยลําดับก็คือปรินปริญญากิจนิยกขีดขึ้นมาวางไว้เป็นเบื้องตน้นที่ขึ้นหัวข้อพังแสดงปริน ญ, ญาธรรมล้ำพันยังหมายถึง อ, องค์ประกอบของสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของปริญญาธรรมเนี่ยมันมีหลายๆส่วนด้วยกันตัวปริญญาก็อันหนึ่งตัวปริญญา เราก็แสดงอย่างย่อ ก, ก็เป็นสามอย่างพิสดานก็ซอยออกมาเป็นยานริบุกก็จะได้กำหนดรู้ว่ามันอยู่ในยานใดในยานริบุกในปริญญาตัวนั้นตัวนี้ เ, เราดูปริญญากิจก่อนโดยกิดนะมีปริญญากิจปาหานากิจภาวนากิจสัตถิกิริยากิจนี่คือเป็นภาระหน้าที่เป็นเป็นหน้าที่หรือเป็นการงาน ของยานที่จะต้องทํากิจพวกนี้เรียกว่ากิจมันก็เกือบจะแยกกันไม่ด้ออกแล้วฮะเหมือนก็คนกับกิจของคนเนี่ยแยกแทบจะแยกกันไม่ออ ก, ก, ก, กอนน่ะ ม, มีกิจที่ไหนมีคนที่นั้นมีคนนั้นที่ไหนก็กิจก็อยู่กับเขาที่นั่นในอีกส่วนหนึ่งคือธรรมอภินยิยธรรมคือสิ่งที่เป็นตัวงานหรือเป็นภาระ ภาระของกิจเรียกว่าภาระกิจแล้วก็ปริญญายาต า, ายาต า, ายาปริญญาสามยาตาปริญญาเตีนะปริญญามานะปริญญาสามปริญญาคือตัวปัญญาความรู้รอบซึ่งส่งเคราะห์ออกไปเป็นญาณที่หกครนี้ก็จะดูว่าตัวปริญญาเนี่ยครับ ญาตาปริญญาตีรณปริญญาปะหานะปริญญาถ้าผมกระโดดไปพูดถึงส่วนบรรลุสุดยอดก่อนดีกว่าง่ายดีคือมัรคขยานขณะบรรลุมัรคขยานเนี่ยปริญญาโดยในหนึ่งท่านถือว่ามีครบสามเลยครับมีครบสามปะหานะปริญญายาตาปริญญาตีรณปริญญา ครบสามยาตาปริญญาคือกำหนดรู้ลักษณะของนามและรูปแล้วไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วว่าโลกนี้ศูนย์โลกศูนย์โลกหมายถึงอัตภาพโลกทั้งหมดคนทั้งหมดศูนย์จากตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังนันตาเป็นแต่คณะสัญญาที่มีลักษณะต่างๆกันเป็นอาสามมัว